ชาวพุทธที่นับถือพุทธศาสนาแบบมหญญายานก็จะมีวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือการเอ่ยนามของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันในประเทศจีนประเทศเกาหลีเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นนะก็เขาก็ถือว่าการเอ่ยนามของพระพุทธเจ้านี่จะทาให้เกิดความสุขความเจริญตายแล้วก็ได้ไป สวรรค์ชั้นสุขาวดี e. อย่างเช่นอย่างญี่ปุ่นก็สวดว่านโมเมโยโฮเรงเกเกียวก็สวดซ้ำนี้แหละนโมเมียโฮเรงเกเกียวบางทีก็สวดเป็นเอ่ยนามพระอมิต a b พุทธะอมิต a b h u อะไรเนี่ยนะก็สวดซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้แหละก็เชื่อว่าทำให้ได้เกิดความเจริญได้บุญได้กุศลก็มีคุณป้าคนหนึ่งแกก็มีความศรัทธามากนะทั้งวันเนี่ย แกก็จะสวดด้วยการเอ่ยนามพระพุทธเจ้าแล้วก็ร้องเสียงดังสวดเสียงดังบางทีก็มีการเคาะเป็นสัญญาณด้วยนะเคาะคล้ายระฆังที่ทําด้วยไม้นะเคแล้วก็สวดไปด้วยยิ่งสวดเสียงดังเท่าไหร่นะก็ถือว่าได้บุญมากวันหนึ่งก็มีเพื่อนบ้านมาหาเพื่อนบ้านมีธุระด่วนนะก็เรียกคุณป้าคนนี้แต่ว่าคุณป้าคนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ยิน แกก็เลยร้องเสียงดังเรียกเสียงดังมากขึ้นที่จริงคุณป้าแกได้ยินนะแต่ว่าจะไม่สนใจแกก็สวดไปเรื่อยๆแต่ว่าเพื่อนบ้านนี่ก็ไม่เห็นคุณป้าออกมาก็เลยครานี้ก็พูดให้ดังขึ้นคุณป้าได้ยินก็เริ่มรู้สึกลาคาลแล้วแล้วก็นึกแต่ว่าเมื่อไหร่จะเลิกตะโกนสช่ที แต่เพื่อนบ้านก็ยังเรียกอีกเรียกเสียงดังนะอันนี้คุณป้านี่โมโหโก็เลยหยุดสวดมนต์แล้วก็เปิดประตูออกไปด่าว่าเพื่อนบ้านด้วยความโกรธโกรธมากเลยนะที่มารบกวนการสวดของตัวเองเพื่อนบ้านก็ เลยพูดว่าเนี่ยฉันเรียกชื่อเธอไม่กี่ครั้งนี่เธอยังโกรธขนาด น, นี้แล้วเธอเรียกชื่อเอ่ยนามพพุทธเจา้านี่วันหนึ่งเป็นพันพั น, พ น, พนหมื่นๆมืนครั้งนี่แล้วคิดหรือว่าพระองค์นี่จะชอบใจนะนี่เล่ามาเพื่อให้เป็นเป็นข้อคิดนะวา่าคนที่ สวดมนต์เนี่ยถ้าไม่รู้ว่าสวดมันมเพื่ออะไรเนี่ยก็อาจจะลงเอยแบบคุณป้าคนเนี้คือการสวดเนี่ยสวดเพื่อให้ใจสงบนะเพื่อให้ใจมีสมาธิจิตใจจะได้อ่อนโยนมีเมตตาแล้วก็ถ้าสวดดีๆก็จะมีสติด้วยนะแต่ว่าคุณป้าคนนี้ แกสวดแบบศัก์แต่ว่าสวด น, นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนบ้านมามาหามาเรียกเนี่ยแกก็เลยโกรธคนเราเนี่ยถ้ายิ่งปฏิบัติธรรมเท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องมีความเมตตามีความอดกลั้นมากแต่นี่กลับมีความโกรธง่ายนะ เพียงแค่มีคนเรียกเท่านั้นแหละก็โกรธแล้วทำไมถึงโกรธนะโกรธก็เพราะว่าเขามาขัดขวางการสวดของตัวที่จริงเราสวดเนี่ยก็เพื่อให้เราจิตใจเราสงบเ ข, ข้มแข็งมั่นคงนะมีอะไรมากระทบก็ไม่หวั่นไหวง่ายๆแต่พอไปยึดติดถือมากกับการสวดแล้วเนี่ยถ้าใครมามารบกวนก็จะยิ่งโกรธหงุดหงิด มันก็เหมือการเจริญสตินะเราเจริญสติเดินจงกรมสร้างจังหวะไม่รู้เคยเป็นอย่างาตมาหรือเปล่าเนี่ยตามาสมัยที่บวชใหม่ๆปฏิบัติที่วัดสนามในก็เดินจงกรมสร้างจังหวะนี่จริงจังมากทําตั้งแต่เช้าจนนอนวันหนึ่งโยมพ่อโยมแม่มาหาแค่เห็นหน้าท่านเรืองแค่เห็นว่าท่านกําลังมานี่ก็เกิดความไม่พอใจแล้วทําไมถึงไม่พอใจ ก็เพราะว่าท่านมาขัดขวางการปฏิบัติของเรานะทาั้งๆที่การปฏิบัติเนี่ยมันก็ทำได้ในระหว่างที่พูดคุยสนทนากับโยมพ่อโยมแม่หรือกับใครก็ตามคุยอย่างมีสติก็ทำได้และที่จริงแล้วเราปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้มีสติกับทุกอย่างหรือว่ามีจิตใจที่มั่นคง มีเราปฏิบัติที่วัดเพื่อที่เราจะได้ออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกออกไปเจอผู้เจอคนด้วยจิตใจที่สงบนะแต่คนนี้พอปฏิบัติเนี่ยราปฏิบัติแบบอยากได้อยากเอาหรือปฏิบัติแบบไม่มีสติเวลาใครมารบกวนการปฏิบัติของเราหรือใครมาหาเนี่ยก็จะโกรธก็จะไม่พอใจ นะอันนี้เพราะว่าไปยึดติดถือหม่กับรูปแบบนะไปคิดว่าการปฏิบัติมันต้องมันต้องยกมือสร้างจังหวะนะนะถ้ามีเหตุให้ต้องทำอย่างอื่นก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติละไอสิ่งนั้นเหตุนั้นมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคการปฏิบัติไปก็เลยทำด้วยความไม่พอใจนะอันนี้เรียกว่าสอบตก นะเวลาเราสวดเวลาอย่างคุณป้าคนนียที่แกสวดม น, นั่นถ้าแกสวดด้วยความเข้าใจจุดมุ่งหมายนะจิตใจแกก็จะสงบเย็นนะแต่ถ้าแกไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายก็สักแต่ว่าสวดด้วยความคิดว่าถ้าสวดเยอะๆแล้วนี่มันจะดีนะแต่ถ้าสวดแล้วจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ถือว่าการปฏิบัติ ไม่เจริญก้าวหน้าหรือว่าสอบตกนะไอการที่ไปยึดติดถือมั่นกับรูปแบบต้องทำตามรูปแบบให้ได้มากถ้าใครมาทำให้เราปฏิบัติตามรูปแบบน้อยลงก็จะถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัตินี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปละพระธรรปรามาสอย่างหนึง่งปรามาสมันแปลว่ารูปคําหรือว่ายึดติดก็ได้นะไปยึดติดในรูปแบบนะ อันนี้ก็อย่างที่พูดไปเมื่อเช้านะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้จุดมุ่งหมายว่าเราทำเพื่ออะไรไม่ใช่ทำแสกแต่ว่าทำตามตา ม, ตามกันถ้าทำตามตา ม, ตามกันมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะก็คือว่าได้แต่พูดได้แต่สวดแต่ว่าใจเนี่ยยังเหมือนเดิมนะอาจจะจิตใจแย่ลงด้วยการทำบุญก็เหมือนกันนะทำบุญเนี่ยเราต้องทำบุญเพื่อลดเพื่อละ เพื่อให้เราเนี่ยมีจิตใจเสียสละมีเมตตามีบางคนเนี่ยในเวลาทําบุญกับพระเนี่ยทำเต็มที่แต่ว่าจิตขาดเมตตามีเจ้าของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะแกะเรียกว่าสนใจเต็มที่กับการทําบุญมากถวายเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างหอระฆังเป็นแสนแสนนี่ทำได้ แต่เวลานักเรียนแกเป็นเจ้าของโรงเรียนมีนักเรียนคนนึงเป็นเด็กยากจนไม่มีเงินจ่ายค่า เ, าเรียนนะเด็กคนนี้ไม่มีเงินจ่ายแค่สองเทอมเท่านั้นแหละก็ให้นักเรียนออกเลยเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่า เ, าเรียนอันนี้เราไม่มีความเห็นใจนะไม่มีความเมตตากรุณา ทั้งทั้งที่ทำบุญเยอะให้ทานเยอะนะแต่ว่าจิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันนี้เพราะว่าเป็นการทำบุญเพราะอยากจะได้คือเชื่อว่าทำบุญเยอะๆแล้วจะรวยแต่ว่าทำบุญกับเด็กทำบุญกับคนยากจนนี่ทำแล้วไม่ได้อะไรก็ไม่อยากทำใครที่จ่ายค่าเลี้ยงม่ครบก็ให้เอาให้ออกไปอันนี้แล้วว่าเป็นการ เป็นการทำบุญที่ไม่ถูกต้องมันมีเยอะนะประเภทว่าชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจชอบผูจ้จานวนมากเป็นอย่างนี้ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจเพราะว่าทำบุญไม่ถูกใจเลยไม่เป็นบุญใจเลยไม่มีเมตตาแ้่ส่วนใหญ่ก็จะชอบทำบุญกับพระเพราะว่าพระนี่สามารถจะดนบันดาลให้ตัวเองได้สิ่งดีๆ พระในที่นี้หมายถึงทั้งหมายถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์โดยพ่อที่เป็นพระอริยะคนจะแห่ไปทาบุญกันเยอะเพราะว่าอยากจะได้แต่ว่าถ้าทำกับคนเล็กคนน้อยทำกับสัตว์นี่มันไม่ได้อะไรก็เลยไม่ทำอันนี้ก็แสดงว่ายังมีความเิ็นแก่ตัวอยู่เคยน่มีแม่ชีอูดเคยไปกับญาติโยม สองสาคนไปไปกราบาครูบาอาจารย์ที่เป็นหลวงตาท่านหนึ่งที่เขาถือว่าเป็นพระริยเจ้าไม่มีรถส่วนตัวนะต้องนั่งรถประจำทางไปเสร็จแล้วก็ให้รถเนี่ยเขาขับเข้ามาส่งที่วัดคือทางมันก็เหมือนกับวัดเราเนี่ยถนนถนนที่รถผ่านไปผ่านมาเนี่ย กับตัววันนี่มันห่างกันปกติรถจากตลาดนี่ก็มาลงที่กุดงงแล้วต้องเดินเข้ามามาที่นี่วันนั้นก็เหมือนกันนะคือมันต้องเดินแต่ว่าตอนช้าโชคดีนะั้นรถเข้ามาส่งให้มาถึงนี่ก็ก็มีคนเป็นร้อยเลยส่วนใหญ่ก็มีรถขับกันมาคนก็มาถวายจังหันพอถวายจังหันเสร็จก็กลับกันคนมีรถก็ขี่รถ ออกไปส่วนแม่ชีอูดกับโยมซึ่งเป็นคนแก่แล้วก็คนพิการต้องเดินออกไปที่ถนนใหญ่แดดก็ร้อนตอนนั้นประมาณก็เก้าโมง10ิบโมงคนแก่ก็เดินก็โผล่ก็เพลคนพิการก็เดินกันกระโผล่ก็เพลบอกกันว่ารถเป็นสิบสิบเป็น100ร้อยคันก็แล่นผ่านไม่มีใครสนใจที่จะรับคนแก่คนพิการขึ้นรถเลยนะ อันนี้แหละ ว, ว่าไม่มีน้ำใจทนะั้งๆที่คนที่มานี่ก็เป็นพวกที่ใฝ่ทําบุญทํากุศลแต่ว่าสนใจแต่จะทําบุญกับพระโดย พ, พระอริยเจ้าไม่สนใจที่จะทําบุญกับหรือทําความดีกับคนแก่คนพิ ก, การหรือว่าคนธรรมดานี่เพราะอะไรก็เพราะว่าทำเพราะอยากได้อยากได้เข้าตัวอยากได้ประโยชน์นถ้าทําแล้วไม่ได้ก็ไม่ทํา เพราะฉะนั้นเห็นคนแก่เห็นคนพิการก็ปล่อยไม่สนใจแบบนี้มีเยอะมากนะอันนี้เพราะไม่เข้าใจว่าทําบุญเพื่ออะไรไปทําบุญเพื่อสะสมนะเพื่อเอาไม่ใช่เพื่อลดพื่อละแล้ยิ่งทําบุญนี้จิตใจย่อมต้องหนีความเห็นแก่ตัวน้อยลงมีความเสียสละมากขึ้นจิตใจอ่อนโยนมีเมตตากรุณาถ้าทําแล้วจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นี่ก็เรียกว่าทําไม่ถูกต้องนะ ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาได้มิจฉาปฏิปทาคือว่าการทําบุญก็ดีการรักษาศีลก็ดีการทําสมาธิภาวนาก็ดีเพื่อจะได้เพื่อจะเอานะจะได้ร่ําได้รวยหรือว่าขึ้นสวรรค์หรือว่าเกิดอภิญญามีฤทธิ์มีเด็กก็ตามพวกนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเราต้องทําให้เป็นสามาปฏิปทาคือทําบุญเพื่อลดเพื่อละทําความดีก็เพื่อให้จิตใจเนี่ยนุ่มนวลนะมีความเสสระ มีเมตตากรุณาเอาละก็เตรียมรับพร